ขอความเจริญในธรรมจุมิดท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ลมปะุตติยานกำลังนำเสนอพระพุทธอุทานตอนที่เสด็จประทับในต้นจิกชิวมุจลินมาตามลำดับคือข้อความที่ส่งอุทานว่าความสงัดเป็นสุขของบุคคลผู้สันโดษมีธรรมปรากฏแล้วเห็นอยู่ ก็เป็นอุทานที่ส่งประลบ พ, พระองค์สุขสัมผัสคือความสงัดความสุขที่พระองค์ได้ทรงสัมผัสอันเป็นผลที่สูจเนื่องมาจากการจะสรู้ภายใต้ต้นะสีมาโผนนั่นเองแต่ว่าอยู่ในช่วงสเสด็จประทับสวยพิมุตมิสุขและจากนั้นก็สะท้อนภาพของโลกทั้งปวง หเห็นว่าการไม่พยาบาทเปียดเบียนกันโดยการสํารวมระวังในคนในสัตว์ทั้งหลายเป็นความสุขในโลกซึ่งหมายความว่าความเดือดร้อนต่างๆที่ปรากฏอยู่ในโลกนี้เกิดขึ้นมาจากการเปียดเบียนการประทุษร้ายกันความมาคาดพยาบามแม้จะเกิดเป็นศึกสงครามขึ้นมาไม่ว่าระดับไหนก็ตาม คือถ้าเรามองให้ซึ้งคือสาวถึงความคิดไปเป็นต้นเหตุที่เกิดสุดสงครามแล้วก็มีความต่อเนื่องนั้นก็ล้วนสืบเนื่องมาจากความอาฆาตพยาบาทความเบียดเบียนกันอะไรเป็นตัวกระตุ้นก็เป็นเรื่องของรายละเอียดสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองก็เกิดขึ้นมาจากการเบียดเบียนกันประตุสลายกัน มากาบเรื่องรามาเกียร์ก็ดีมาพระตายุย์ก็ดีก็เกิดขึ้นมาจากความขาดาแค้นพยาบาทกันและแม้แต่ที่หนึ่งมีคนทะเลาะวิวาทกันอยู่ในปัจจุบันเราสาวไปก็จะเจอโทสะคือจิตที่ประกอบด้วยความโกรธเป็นแรงผลักดันที่มีความสำคัญก็ให้เกิดการเบียดเบียนประทุสรายกัน จากนั้นก็ทรงแสดงถึงคุณภาพของจิตที่จริงก็สะท้อนจากปไทยเหมือนกันว่าความปราศจากความกำหนัดคือความร่วงกามทั้งหลายเสียได้เป็นความสุขในโดกคำว่าปราศจากความกำหนัดก็คือจิตที่ไม่มีราคะตัณหา เป็นการเน้นข้อแรกเป็นการเน้นการสละกิเลสประเภทโลภะโมหะข้อที่สองก็เน้นปฏิโทสะพ อ, อมาถึงข้อที่สามก็เน้นปีิราคะซึ่งก็เป็นอาการของโลภะนั่นเองเราเห็นว่าจิตที่มีความกำหนัดในอารมณ์ทั้งหลาย มันนำไปสู่การต่อสู้ยื้อแย่งเพื่อครอบครองบุคคลที่ตนมีความกำหนัดและใคร่พอใจคือตามปกติเมื่อคำเข้ามาอย่างนี้ความกำหนัดก็จะเน้นไปในเรื่องของเพศพอเราจะพูดระดับของกามาปเจรภูมคือสัตว์โลกที่ยังตกอยู่ในห่วงของกามกินนอนกลัวเนี่ย ความกบฏในทางเพศก็เป็นปัญหาที่รุนแรงประการหนึ่งซึ่งอาจจะนำไปสู่ศึกสงครามได้ทุกเมื่อเป็นเรื่องไม่น่าเชื่อตัวเรื่องราวมาเกี้ยนนั้นเรื่องแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเรื่องขุนช้างขุนแผนก็เรื่องแย่งผู้หญิงคนเดียวกันเรื่องพระภัยมณีก็เรื่องแย่งผู้ชายคนเดียวกัน เรื่องสังทองเองนะฮะถ้าเราดูเป็นช่วงๆมันก็เป็นการแย่งผู้ชายคนเดียวกันอประปทมเหตุจริงๆก็มานางจากนางจันเทวีกับนางจันทาเทวีที่แย่งเท้ายศวิมติกันเริ่อมก็ลำปามไปได้เรื่อยๆพละะันความกำหนัดก็คือจิตที่ไปกำหนดอารมณ์ ว่าเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจทรงใช้คำบาลีว่าอิทากันตามนาปานี่เราจะเจอบ่อยนะแต่ดูคำบาลีเนี่ยแปลว่าน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจใจเรากำหนดใจเราไปตีค่าสิ่งเหล่านั้นไปประเมินค่าสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นก็เป็นของมีค่าในความรู้สึกนึกคิดของเราเราจะเห็นว่า ในกรณีที่เกิดกำหนัดร่วมกันและถ้าหากว่าขาดการยิ น, นยอมกันก็จะเกิดการต่อสู้เพื่อยื้อแย่งเพื่อครอบครองสิ่งที่ตนกำหนัดแล้วก็จบลงด้วยการไม่มีใครได้คือบางทีก็อาจจะตายทั้งคู่บางทีก็อาจจะบาดเจ็บทั้งคู่ันความรู้สึกเหล่านี้เราดูจากเรื่องตอนสุดท้ายของ เรื่องราวมาเกี่ยงก็ได้เรื่องคนช้างคนแผ่นก็ได้คือจบตรงที่การไม่มีผู้ครอบครองแล้วก็ไม่มีสิ่งที่ให้ครอบครองเพราะว่ามันก็ถูกทาลายไปหมดวันกิเลสประเภทนี้เราดูมันเริ่มต้นที่กระจุงกระจิมมีน้ำมีนวลแต่ว่าพอมีความเข้มข้นสูงขึ้นแล้วจะออกมาเป็นโทส์และจะมีความรุนแรง เราเห็นภาพของเด็กที่แย่งตุ๊ ก, กตากันคือเราดูสภาพจิตแล้วเป็นอาการของโลภะกับโมหะเกิด จ, จิงก็จังกับตุ๊ ก, กตาจนเกิดไปในสุดก็ตังควายตังไม่ยอมนะฮะอาจจะแย่งตุ๊ ก, กตาจนพังไปเลยแล้วก็ไม่มีคนได้แต่ยังไม่ซาแก่ใจมันต้องทุบตีกันก่อนแล้วเกิดบาดเจ็บ ยีควรตบตีกันนะฮะเราเป็นภาพเหล่านี้เป็นความเยาเป็นความเเข้าที่มีอยู่ภายในใจของเด็กแต่ชาวโลกแล้วเขาก็<ๆ>เป็นเขาอย่างนั้นเพราะนั้นทำอย่างไรจึงจะปราศจากความกําหนัดที่เรียกว่าวิราคะวิราคะที่จริงโดยเนื้อหาสาระแล้วก็หมายถึงมรรคผลนิพพานเลยนะครับ วิราโคเซโตธรรมานังนี่วิราคาเป็นยอดแห่งธรรมตั้งหลายแต่ว่าในภาคสนามในฐานะของสามัญชนเนี่ยเราให้ลองสังเกตว่าพระพุทธเจ้าทรงวางไว้วางไว้ตามลำดับก็ให้คนหัดตายลำดับไปคือความกำนัดความต้องการในทางเพศในฐานะที่เป็นมนุษย์ระดับกางเมวจรภูมิมันก็คงจะคอยควปรารถนาอยู่ แต่ว่าทําอย่างไรอย่าให้ถึงกับเปนการจุดคร่านอาจารย์คงขืนก็ทําชําเราเอาตรงนั้นก่อนเรื่องใหญ่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เป็นการประทุษร้ายต่อคุณลเศรษฐีของะ ก, กุลในชั้นต่อมาก็ทํำยังไงให้เคารพสิทธิในคู่ครองของกันและกันไม่ล่วงละเมิดกันแล้วก็เพื่อให้ ควบคุมการควบคุมชีวิตมันดาเนินไปได้ ด, ด้วยดีก็มีการกระจายผู้หญิงออกไปยี่สิบประเภทก็ถือว่าสิบสามประเภทเนี่ยเป็นบุคคลที่ผู้ชายไม่ควรจะล่วงเกินถ้าใครล่วงเกินก็ถือว่าเป็นการผิดประเวณีแต่ว่าผู้หญิงอีกเจ็ดประเภทหรือบางแห่งก็บอกว่าแปดประเภทเป็นเรื่องที่ต้องรับผิดชอบ หมายความถ้ามีการร่วงเกินแล้วก็ต้องรับผิดชอบแต่ไม่งั้นก็ผิดธรรมะเรียกว่าธรรมจริยาเกิดแสดงให้เห็นถึงการความกำหนั ด, ดนั้นยังมีอยู่แต่ว่าให้ควบคุมความกำหนัดอย่าละเมิดสิทธิในคู่ครองของกันและกันก็กลายเป็นสีลงข้อกรรมเอในขณะเดียวกันในชีวิตของสังคมเนี่ย คือผู้หญิงถูกใช้ไปในรูปของการกระตุ้นกา ร, รมาราคะในกิจกรรมต่างๆไปเป็นมากเพราะว่าโดยภาพรวมของสัตว์โลกเนี่ยพเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าพระองค์ไม่ทรงเห็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอันใดที่เกิดขึ้นและจะครอบนำใจผู้ชายได้แต่ก็รูปเสียงกลิ่นรสปทัาของผู้หญิง แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ทรงเห็นรูปเสียงดีรดผลิตภาอันใดที่เกิดขึ้นครอบนำใจผู้หญิงได้เท่ากับรูปเสียงกีรดผิตภัณาของผู้ชายก็แสดงว่าก็คือกันทีนี้คนที่มุ่งแสวงหาประโยชน์ในเรื่องเนี้มันก็รู้จุดอ่อนของมนุษย์ให้เราลองสังเกตว่าการโฆษณาสินค้าทั้งหลายในสื่อทั้งหลายเนี่ยมันจะดูอะไรก็ได้ก็ไม่เห็นมีความ จำเป็นอะไรเลยที่จะต้องทำอย่างนีน้แต่ว่าเขารู้จุดอ่อนของมนุษย์ที่มีความต้องการในหลายรูปเพราะัในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันจะมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเช่นอาหารจานหนึ่งมันจะเน้นทั้งรูปที่น่ารับประทานทั้งเสียงเคี้ยวเวลาเคี้ยวเนี่ยมันรู้สึกอร่อยอร่อยแล้วก็รสก็รู้สึกเป็นที่พอใจ กินก็กระตุ้นความอยากในก่อนแล้วก็แต่ละสัตว์แต่ละส่วนก็น่าจับน่าต้องนุ่มนิ่มกรอบก็แล้วแต่แล้วแต่จะพูดกันถ้าลองสังเกตเราขายรูปเสียงกลิ่นรสผพทัทพักมันเกิดเฉย อ, อารมณ์เขาได้ทำมารมุมมันมีการปรุงแต่งปรุงคิดคิดปรุงกนด้วยประการต่างๆแล้วก็สร้างเงื่อนไขให้จิตคนไปกาหนดในสิ่งล่านั้น นแนวการโฆษณาทั้งหลายเนี่ยมันก็จะเน้นไปในแนวนั้นซึ่งถ้าหากว่าผู้ฟังต้องการทดสอบดูว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วของเทวาอารอยนั้นอร่อยจริงหรือเปล่าอร่อยพระถูกตอกย้ำด้วยอายตนาภัษาเวทนาตัณหาแล้วก็อุปาทานเห็นไหมได้ผ่านมาทำภาษา ส, าษาสัมผัสกระตุ้นจนรู้สึกเครือเพิ่มตามไปก็ได้สุขเวทนา ถ้าเป็นอย่า ง, งานั้นจะเป็นถ้าเป็นอย่า ง, งานั้นก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นอย่า ง, งานั้นก็จะเป็นอย่า ง, งานั้นก็ปรุงไปได้่อๆแล้วมันเกิดตัญหาคื อ, อยากจะกินทีนี้ถ้ากินแล้วไม่อร่อยเนี่ยมันเสียสถานะคือเรารู้สึกว่าเราไม่มีรสนัยมรสนัยมต่ําคนก็อร่อยกันทั้งหมดเรากินคนเดียวไม่อร่อยเนี่ยมันก็ไม่ดีเราก็ต้องถูกกระแสตรงนั้นแหละให้อร่อยตามไปด้วยอร่อยตามไปด้วยมันก็กลายเป็นการยึดยึดก็เป็น พบขึ้นภายในใจเรารู้สึกเป็นอย่างนั้นรู้สึกเป็นอย่างนี้รู้สึกเป็นอย่าง น, น้นขึ้นภายในใจและในสุดมันก็กลายเป็นหมุนเวียนความแนวตรงนี้เราลองสังเกตไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ว่าจะเป็นรถจะเป็นเสื้อผ้าจะเป็นอะไรก็ตามมันก็มีการรุมแตกในรูปเสียงกลินรถสัมพันธ์ที่ต้องการจะดึงคนเข้ามาอยู่ในตะข่ายของ สิ่งที่น่าคลายน่าปราตนาน่าพอใจเหล่านั้นทนคนก็หลงกำหนัดเพลิดเพลินอยู่กับอารมณ์ผู้เจ้าทรงแสดงโทษของกรรมไว้เป็นอนเนกกปริยากยือในญาตต่างๆแต่ส่วนใหญ่นะฮะจะเทศกับพระแล้วก็พระที่มีพื้นฐานจะฟังเรื่องเหล่านี้ได้เพราะว่าเนื่องจากจิตใจของมนุษย์เราเนี่ยมันมีการมธาตุาอยู่สูง แต่ปรุงไม่ดีเนี่ยมันมีปัญหาหมันกันดังนั้นนะแต่อารมณ์ของกรรมฐานประเภทอสุภะกรรมฐานที่ไปดูซากศพในป่าช้าเนี่ยก็ไม่ใช่่งนิ่งปล่อยเข้าไปดูเลยแต่ว่าภาพของศพนั้นจะต้องไม่สร้างความโน้มเอียงไปในทางความกำหนัดและมนต้องมีกลิ่น ที่ตรงกันข้ามกับเราเคยกําหนดต้องมีรูปที่ตรงกันข้ามกับเราเคยกำหนดต้องมีเสียงที่ตรงกันข้ามกับเราเคยกําหนดต้องมีสัมผส emotions, ัสที่ตรงกันข้ามกับเราเคยกาหนดวันซากศพจนต้องเปื่อยเน่าจนเละหมดแล้วไม่เห็นเป็นรูปศพผู้หญิงผู้ชายแล้วแต่มีกลิ่นกระทบจมูกตั้งแต่ไกลแล้วดูกลาหน้าตาคนหน้าหวาดกลัวหน้าขยะขยง เพื่ออะไรเพื่อไม่จิตมนุษย์มั น, ปนแปรผันถ้าว่าไปดูซากศพที่ตายใหม่ๆบางทีจิตมันแปรผันได้สุภากรมมฐานการดูซากศพในปราช้าในี่ยจะมีกรรมวิธีรายละเอียดมากเพระาะกลัวความแปรผันจิตของจิตซึ่งมันมีเชื่อของกรรมาราคะอยู่ ในการปฏิบัติในชั้นต่อไปเราจึงพบว่าทรงสอนในรูปของการชี้โทษแต่งอบายมุข ค, คือความไปดักเลงญิงพอ เ, เข้าไปในสถานที่นั้นเราจะพบว่าเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสเอาสัมผัสมายั่วยวนหมดทั้งชุดเลยจ่ายสตางสิ้นเปลืองเงินทองไปเพราะกิจกรรมเหล่านี้เยอะแล้วมันก็ครอบงำโลกนะ ก็แหลงเรองรมก็แหลงว่ะแหลงเรืองรมยามราตรีทั้งหลายกคนเนี่ยคือบางครัง้งบางคราวก็ทำให้นึกถึงเรื่องเปตวัตถุประเภทเรียกว่าเวมานิกระเปรดคือเปรตที่อยู่ในสวรรค์วิมานแต่ว่าตกกลางคืนต้องถวายเสวยทุกทรมานด้วยประการต่างๆแต่ก็พอใจติดใจสยบติดนะฮะเพิดเพลิอนอยู่กับสิ่งเหล่านั้น เนันต้าหากว่าคนเว้นการเกี่ยวข้องกับแรงเริงรมทั้งหลายได้มันก็ตัดแรงกระตุ้นแต่แรงกระตุ้นจากนั้นก็ามาถึงศีลศีลข้อที่สามที่เป็นอภรรมก็ต้องการลัดลดความกาหนัดในทางเพศออกไปคือศีลข้ออภรรมเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แม้แต่สามีพรรยาของกันเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ไม่ได้แต่การเมมีได้นะ ก็ไม่มีได้แต่อภรรยาไม่มีไม่ได้เพียงแต่สําหรับชาวบ้านแล้วก็จะต้องจะต้องร่างกายกันได้เพราะว่าเป็นเขาเรียกอาคาริออยาบินายวินัยเป็นผู้ของผู้ครองเรือดและจากจุดนี้ไปมันก็นจะมีความประณีตมากยิ่งขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยอย่างเป็นสา ม, มนเณรสา ม, มนเณรีหนงังสิขามาณาเนี่ยตรงนี้จับเนื้อจับเนื้อต้องตัวไม่ได้เลย จะเนื้อต้องตัวไม่ได้แล้วเพราะว่ามันคล้ายๆกับเป็นสื่อเป็นพาหะที่จะกระตุ้นกามราคะขึ้นมาภายในจิตใจของบุคคลวิธีชีวิตก็อยห่างไกลจากอารมณ์ในลักษณะนั้นแล้วก็ตัวเองก็ปรงผมปรงหวดนุองผมภ้ากาสายะซึ่งไม่แสดงให้เห็นถึงความสวยงามพอมาถึงพิกษุพิกษุนีเอาหญ่เลยทีนี้เราจะเห็นว่า นั่งในที่รับตารับหูกระเภทตรงกันข้ามสองต่อสองก็ไม่ได้คุยเกินเกินหกคาก็ไม่ได้แล้วก็มองอวัยวะของกันและกันด้วยความกําหนัดก็ไม่ได้อันนี้ที่จึงมัเป็นมาตรการของศีลไม่ใช่เรื่องของธรรมะเราเป็นมาตรการทางศีลจะปรับประบาดจะต้องกายกันก็ไม่ได้อะไรก็ไม่ได้จะมีอวบัติว่าเยอะเลย เพื่อตัดกระแสะของราคะตัญหาที่มีอยู่ในเรื่องของวัตถุการมนั่นเองแล้วก็เลยไปเดินไประดับศีลซึ่งเราจะเห็นว่าจะมีความประนีตในด้านนี้แม้แต่เสื้อผ้าของเพศตรงกันข้ามมันยังจับไม่ได้ก็าอาจจะกระตุ้นจิตความกำหนัดขึ้นมาได้แล้วก็ไปเรื่อยๆนั่งอาสนะร่วมกันไม่ได้เช่นสมมุติว่าม้ายาวตัวหนึ่งเนี่ย อา่าภิกษุณีกับภิกษุนี่อา่าวภิกษุณีกับภิกษุนี่นั่งไม่ได้โดยกันทั้งสองฝ่ายนะต้องอาบัติทั้งคู่แล้วถ้าภิกษุไปนั่งกับผู้หญิงชาวบ้านภิกษุก็ต้องอาบัติตรงนี้ที่จริงชาวบ้านไม่ค่อยรู้คือบางทีเนี่ยเราไปในท้องถิ่นที่ห่างไกลเช่นว่าเดินทางไปทางต่า ง, างประเทศเนี่ยบางทีคนก็จัดที่นั่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไปนั่งกับใคร ก็ขึ้นไปถึงบางทีก็เจอแหม่มมันต้องหาวิธีที่จะพูดอะไรอะอย่าให้กระเตือนใจคนโดยกาแลกเปลี่ยนกับใครคนใดคนหนึ่งโดยให้เขาไม่รู้สึกว่าเราไปดังเกลียดเขาที่จริงเราก็ไม่เดินเกลียดอะไรแต่ว่ามีปัญหาทางวินยัยมีปัญหาทางวินัยว่าไปนั่งกันอย่างนั้นไม่ได้มันไม่ถึงก็ถูกต้องกันเอาแต่ใกล้ชิดเกินไปก็แสดงว่าตอนนั่งกันตัวเครียดมากเลย ขยับตัวไม่ได้แันนี้ก็คือเรื่องที่เป็นอุบายวิธีที่จะลดความกาหนัดในเรื่องเหล่านั้นแล้วถ้าเราดูทึงแนวดั้งเดิมจริงๆเนี่ยพระจะไม่มีอะไรครอบครองจะมีแต่บริขารก็ครบชุดอยู่ในตัวนั่นแหละเปไหนมาไหนก็ครบชุดไปได้ก็ทั้งหมดเป็นอุบายวิธีที่จะให้ คลายความกำหนัดจุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยล่วงกามคือหมายความมาทำลายกิเลสกามภายในใจนะะทำลายกิเลสภายในนะะข้างนอกไปทำลายอะไรก็ไม่ได้เพราะแต่ตรงนี้ถ้าท่านผู้ฟังลองสังเกตว่าประวัติศาสตร์ศาสนาบางศาสนาในศาสดาไปทุกตีทำลายรูปเคารพไปทุกตีท่านบูชาของคนอื่นนะไปทำลายวิหารของคนอื่นเนี่ยศาสนาพุทธทำไม่ได้ เพราะอะไรเพราะอันนั้นเป็นทรัพย์นะมันเป็นวัตถุ ก, กรรมด้วยแต่มันเป็นทรัพย์ด้วยเป็นทรัพย์มันมีค่ามมีราคาถ้าเราผลาญทรัพย์สินเขา้าราคาเกินห้ามมาสก็ขาดแคลนเพราะมีธีการแบบพูดจึงไม่ได้ไปแตะต้องสิ่งเหล่านั้นแต่จะพูดแต่ก็เกิดสํานึกสำเนียกเองที่จะถ่ายถอนที่จะดึงจิตตัวเองออกมาจากสิ่งเหล่านั้นสภาพแวดล้อมอย่างนั้น นั่นก็หมายความว่าคลายความกำหนัดไปเรื่อยๆคลายความกัดเคืองไปเรื่อยๆการสํารอกกิเลสออกไปจากจิตคืออย่างที่บอกไว้แล้วนะว่าจิตกับกิเลสเนี่ยมันคนละเรื่องกันจิตมันเป็นไอ้ไใจจิตก็เป็นตัวหลักจิตคล้ายๆกับตัวน้ํานะฮะกับน้ําหรือคล้ๆกับพยัญชนะคือน้ำในด้วยตัวเขาเองแล้วไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรส ไ, ไม่มีรูปอะไร มันเป็นธาตุผสมแต่ว่าน้ำก็มีสีสารพัดสีมีกลิ่นสารพัดกลิ่นมีรสสารพัดรสนะแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่น้ำเพียงแต่ว่าสิ่งที่แ ป, ปรปลอมเข้าไปแต่เรียวว่าสิ่งที่จร์มาตัวแสดงว่าเราก็สำรอกออกได้นะฮะคล้ายๆกับสีติดผ้าเนี่เราสารอกออกได้คือให้สีนั้นออกไปจากผ้าได้ ก้าวล่วงการทั้งหลายก็หมายความว่าบรรลุอาสวะขยานนะบรรลุอาสวะขยานะนีะยนะ่นยนะที่พระเจ้ทาทรงบรรลุเนี่ยแต่ว่าเวลาสอนชาวโลกไม่ได้สอนแบบก้าวกระโจนนี่แค่นเนสอนให้ก้าล่วงไปเรื่อยสอนให้ครายกำหนัดไปเรื่อยเป็นระดับกฎหมายอย่าให้ผิดกฎหมายอย่าให้ผิดศีลอย่าให้ผิดธรรมะอย่าให้ผิดคุณธรรมก็ขึ้นมาเรื่อยเรืยเราเห็นว่าทั้งหมดเนี่ย การไม่ให้คงคืนการทำจาเราก็ดีการไม่ให้ประพฤติผิดในทางประเวณีก็ดีแต่การไม่ให้เที่ยวเซในสถานที่เริงรมทั้งหลายก็ดีแล้วก็จนมากลายมันเป็นศีลอภรรมาจริยาศีลข้อที่สามแล้วขึ้นมาจนถึงถจะต้องกายกันก็ไม่ได้นั่งอยู่ในที่รับตารับหูสองต่อสองก็ไม่ได้คุยกันเกินหกคาก็ไม่ได้พูดเกี่ยวก็ไม่ได้นะ ไม่ต้องพูดถึงมีเพศสัมพันธ์หล้วคือว่าเป็นการดึงกายดึงจิตให้ออกห่างจากอารมณ์หล่นนั้นเป็นวิธีฝึกปฏิบัติคือค่อยๆซักค่อยๆสำรอกค่อยๆขัดเกลาจิตไปโดยลำดับพอจนถึงจุดหนึ่งก็ล่วงการได้พอล่วงการได้ก็ อ, อารมณ์ก็กลับมาแนวเดิมนะฮะแนวเดิมที่เรียกว่าอารมณ์ไม่ฟูไม่แฟบไปกลับ รูปสวยๆสวยเสียงไพรรอะกลิ่นหอมบอบรสอร่อยสัมผัสที่น่าจับต้องในขณะที่ชาวโลกก็กำลัดเพิเพลิพนชิมชมยินดีเยู่กับรูปเสียงกลิ่นรสเหล่านั้นท่านที่เข้าถึงวิราคะเนี่ยคือจิตปราศจากความกำนัดในวัตถุกรรมเพราะไม่มีกิเลสอยู่ภายในใจที่เป็นเหตุให้เกิดกำนัด ตอนนี้ก็เหมือนกันอะไรนะะยกไปอย่างว่าคนมายกย่องสรรเสริญเราด้วยภาษาอุรดูที่เราความไม่รู้เรื่องเลยเราไม่ยินดียินได้เลยแล้วฟังเฉยๆนั้นแสดงละแสดงว่าเราไม่มีเชื้อการรับรู้ถึงคํายกย่องสรรเสริญเหล่านั้นด้วยภาษาเช่นนั้นเพราะในความรู้กับความไม่รู้เนี่ยมันมีลักษณะอาการเดียวกัน เร่องมาเรื่องเราไม่รู้อเล ย, เ, ลยเราจะไม่ยินดียินร้ายมันกันแต่อย่างหนึ่งเพราะเพราะรู้อย่างสมบูรณ์ก็จะเกิดไม่ยินดียินร้ายแต่การไม่รู้แล้วก็ไม่ยินดียินร้ายเนี่ยเป็นเกิดขึ้นด้วยโมหะรู้แล้วไม่ยินดียินร้ายเนี่ยมันเกิดขึ้นในปัญญาจุดตามก็อยู่ตรงนั้นเพราะแนวของการการะลุ้งกามทั้งหลายเสียได้เนี่ยหมายความว่าไปในใจิตใจของบุคคลผู้นั้นก็มีความบริสุทธิ์แล้วก็รุ่งเรืองด้วยปัญญา วินิจัยสิ่งสัมผัสได้ในแต่ละขณะโดยสิ่งเหล่านั้นไม่เข้าสู่จิตของท่านไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงภายในจิตของท่านต้องฟังเท่าไหร่แต่รูปปฏิยานในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความจเจริญง้องามไปบูรณนธรรมจะมีแตะท่านผู้ฟังท่าไหร่โดยทั่วกันสวัสดี